ทางนัดไตรพระพุกประจำน์ประสุมและขอกาสขนสมงพ่อขอจ้าหพร้อมญาติโยมทุกๆคนนะครับก็าตามสบายนะครับก็อย่าสันจังว่ากด็ดีหรือว่าตั้งใจฟังก็ีเป็นระกาศการ ก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเป็นที่มองคลด้วยในมองคลระสุดก็ได้ยินได้ฟันธรรมะธรรมการอีกเป็นมองคลสุดสุดอย่างหนึ่งงานผู้ นี่ก็มีเป็นธารมเป็นธรรมนัตธารการฟังามพู้ นี้ก็ตมา ก, ก็ได้รับกิจมณ์จากจางสุนทรล <c oughs> ายอว่าธรรมะแต่ว่าตมาก็เพไม่ค่อยชัดให้ก้อยเก่น์ขอขอไปร่วนหน้าก่อนก็วีก็พวกเราก็มาศึกษามาปฏิบัติธรรม ต่ำมาก็ได้มีโอกาสมามืองไทยมาศึกษามาปฏิบัติธรรมก็การเจริญสติการปฏิบัติตรมมะที่พระพิการลุงสอนแสดงทันแต่สองพันห้าร้ Now. ใจที่แท้จริงอยอในตัวที่เรานี่ก็ ก็หลวงพอคำเขียนแล้วก็พ่อกรมเป็นประผู้ใหญ่มาสอแล้วก็คืออาจารย์ท่านก็สความดีแล้วก็ก็ปฏิบัติตามคุณอาจารย์สอก็ยสยางนจังละตือนจงกลมเป็นวิธีการ รู้บาที่จะรู้เท่าตันสภาวะธรรมยิ่งมู้ยิ่งเห็นยิ่งพบจะได้เข้าใจ สังขารเอามาเป็นความทุกข์ก็ได้รู้ อย่างนั้นซืรนีก็เกิดขึ้นนง ความรู้สึกตัวดูกายดูใจ ใช่ น้งกายเปลี่ยมเป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตมจิตใจเวทนาก็ดีสัญญาสังการก็ดี ความสุขความสุขเป็นธรรมชาติเกิด พอดี 妈妈。Oh ความแผงแล้วก็สร้างความตีต่างกายตางวาจาทางใจในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะ จ้าเรบก็ยอมรั บ, รบสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไม่ต้องถงิสิ่งอะไรทุกอย่างภาเราไป ีสิ่ที่สุขก็ดีเป็นอรียนเป็นครูาจาร์ไม่ได้เป็นมาเล็กผมที่ทำให้เกิดทุกข์ในปัจจุบันนี้ สัมสารวั สัมผัสแต่ไม่รู้ตุกขณตุกขณตเมปมสติสต ปัจจุบันนี้เป็นอากาดิโกและกล็ว่าผมอนาคตไม่ได้เป็นทุ ก, ก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำไม่ไดีในปัจจุบันนี้ เชื่อมั่นตัวเองจิตใจมั่งกลมเพราะว่าเราก็รู้ว่าตัวเองก็มีสติแล้วเข้าใจเป็นปัญญามีแล้วก็สิ่งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกิด ดีด้านไหนก็ดีก็เลือกได้รู้เท่ า, าทราู้ทันปัญญาก็เข้าใจยิ่งอะไรเกิดขึ้นทุกสุขแล้กวก็ไม่ทุกไม่สุขเป็นเบตนาฐานสามหยาน บามเรื่องก็เป็นปกติปลอกไปนี่ก็เป็นสุขที่แท้จริงความสงบสะอาดแล้วก็ความสมบูรณ์ ปัจจุบันนี้ปัจจุบันขณะนี้แล้วก็อยู่ที่นี้ ก, นการกาหนดดีทางกายทางวาจาทางใจเอามาใช้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและผู้ อ, อื่นสัรพสัตว์ตำไรมีมา ก็ไม่เป็นลายนี่เป็นเรื่องอดีตไปแล้วสิ่งที่สำคัญก็ในปัจจุบันก็เราก็มีสัตว์ตาลงสายำสองกกประพุธโอนว่าเป็นสาระที่พึ่งพระธรรมก็เป็นสาระที่พึ่ง พระสงก็เป็นสารณะที่พึ่งมีก็มีความอบพุ่นใจเพราะว่าปัตตอุนสองแต่สัจธรรมสิ่งที่เราไม่ให้หล่นเราอยู่ยานต็มถูกต้ง สงบสะอาดใจแล้วก็เราก็ทำตามแก่นตามคาสอนพระพุทธเจ้าว่าไม่ให อ้าวจะ ชีวิตทางทีดีแล้วก็กลับไปบ้างแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันสติก็ไม่ได้อยู่ที่รูปแบบก็สติได้เวลาไหน หรือว่าโอกาสไหนที่ไหนอยู่แับใครก็มาใจได้รู้เถารู้ธรรมสภาวธรรมก็เกิดขึ้นปัจจุบันปัจจุบันทุกเวลาทุกนาทีทุกที่พนนเพจารฉ์นี้นีก็ ตามใจเป็นทามเป็นชีวิตเข้ามาอ่าใส่ตัวชีวิตเป็นรูปแบบก็คืออยู่กับธรรมะอยูรร่กับสมาธรรมิอยูรร่กับ